กันร า, างที่พรค่ะายการสังเสียสนทนาค่ะออกาศทางสถานีวิทยุ f m ครอบครัวข่าวเราก็พบกันมาเป็นเวลาปีๆแล้วนะคะนี่ก็เป็นการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่พระศ า, ศาสดาสอนว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องสำหรับคนที่มุ่งหลุดพ้นจากทางโลกเท่านั้นแต่ว่าที่นี้จะให้เห็นทั้งสองด้านเลยคือด้านของการที่ นำออกมาใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้วันนี้เราจะไปกราบนมัสการพระอาจารย์เพริบุญอภิปุลโนเพื่อให้ท่านเปิดธรรมที่ถูกติดด้วยพุณทวจนะกันอีกนะคะกราบนมัสการค่ะเดือนพอนค่ะวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีตอนนี้เป็นอย่างไรคะตอนนี้นก็เงียบแล้วเพราะว่าการเด็กเล่นก็สิ้นสุดลงไปอ่าเมื่อวันที่เมื่อวันที่สิบ ท, ที่ผ่านมา แล้วพ อ, อจริงๆแล้วในช่วงการลีกเล้นเราก็เงียบสงบอยู่แล้วล่ะแต่ก็จะมีคนอะไรเห็นๆอยู่แต่ ว, ว่าไม่ได้พูดคุยกันนะพอกลนไปแ ล, แล้วก็เงียบเหมือนเดิมจากที่เคยไปปฏิบัติมาแล้วก็ได้พบว่าบรรยากาศของระหว่างหลีกเล้นที่ว่าไม่มีใครพูดเลยเงียบจริงๆแล้วก็พอเปิดโอกาสให้พูดก็เหมือนกับว่า ทุกคนเนี่ยค่อยๆค่อยๆที่จะเริ่มพูดแล้วสุดท้ายนี่ก็จอกแจกจ่อใจเร็วนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นอย่างนี้ทุกรุ่นเลยใช่ไหมคะคือจุดประสงค์ที่ให้มีการพูดเนี่ยนะเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราได้รับการควบคุมใช่ไหมพออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้รัการควบคุมเราไม่พูดเนี่ยไม่เป็นไรแต่พอออกไปสังคมภายนอกเนี่ยถ้าเราไม่พูดแล้วเขาจะหาวาเราเป็นบ้าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็จึงคิดว่าให้มีการพูดซะก่อน เนะนี่ยนีว่าการพูดตรงนี้เป็นการปรับตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตัวบางคนปรับตัวได้ไวก็มีปรับตัวได้ช้าก็มีก่อนที่จะเข้าสู่สังค ม, มนะค่ะถ้าจากตัวเฉลี่ยที่ได้พบทุกรุ่นมาถึงปีนี้ก็ว่าเป็นปี <3 S 2> ที่สามแล้วใช่คะอ่าก็เรียกว่าถ้าคิดซะเดือนละรุ่นก็ประมาณสามร้อยรุ่นอย่างเงี้ย น, นะคะเดือนละ<ถ>รุ่นก็จะเป็นสิบสองามสามสิบหกอ๋อขอประธานโทษ ครนนี้จะเป็นครั้งที่สาสก้าที่เพิ่งผ่านไปนี้ อ, อ๋อค่ะก็ผลสำาทธิ์ที่เห็นได้ชัดเลยจากผู้ที่ปฏิบัติโดยค่าเฉลีย่ยมีเรื่องไหนที่โดดเด่นเอาอย่างมองเห็นได้ก่อนนะคะอ๋ออันดับแรกก็คือการที่จิตของผู้ที่มาเองเนี่ยก็สงบลงไปงคือจะมีจุดที่เขาสงบลงไปคื อ, อที่วุ่นวายมันก็มีน ะ, ะคือบางคนเนี่ยคิดว่ามานั่งสมาธิแล้วปุ๊บ แหมมันจะต้องนิ่งตลอดเวลาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคือบางทีส่วนที่นิ่งมันก็มีแะส่วนที่นิ่งมันก็นิ่งกว่าปกติที่เรานิ่งได้ส่วนที่ไม่นิ่งมันก็ยังมีอยู่นะอันนี้ก็เราก็จะพูดถึงว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนกันไปตอนแรกๆเราอาจจะวุ่นวายหมดเลย60นาทีตอนนี้เรามานิ่งได้2นาทีอีก58นาทีวุ่นวายนะมันจะสัดส่วนตรงนี้จะค่อยๆเพิ่มไปเป็น5นาทีนะอีกห้าสิบห้านาทีวุ่นวายนะเป็นสิบนาทีทำได้อ ก็จะพบเจอส่วนนี้นะอันนี้คือที่อันดับหนึ่งที่พบเจอได้อย่างมากค่ะคือสงบได้มากขึ้นใช่ <C HA> แล้วก็ได้พบความสุขที่เกิดจากความสงบนะอันนี้ <C HA> ที่พูดเนี่ยคือหมายถึงพบความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะฉะนั้นเขาจะรู้แล้วว่าโอ้โลกนี้มันเป็นยังไงอคือบางคนรู้ตรงเนี้ยรู้ว่าเหมือนกับว่าเกิดใหม่เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วโลกนี้มันเป็นยังไงแต่ไม่ใช่มีความสุขด้านเดียวแต่มีความสุขที่เกิดจากในใจเรา <C HA> ตรงนี้ออื เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้จะเห็นโดดเด่นมากใช่ใครที่ไม่เคยปฏิบัติก็าจะยังไม่เข้าใจคนที่ไม่เคยหยุดพูดก็ยิ่งไม่เคยรู้ใหญ่เวลาไม่พูดนั่นมันเป็นยังไงนะคะทําไม่ลองก็ไม่รู้ลองสักนิดหนึ่งก็ได้สมมุติว่าเมื่ออาหารกลางวันที่ต้องไปนั่งรับประทานกับใครเคยทานไปคุยกับเพื่อนไปลองไม่พูดดูสิฮ่าแล้วก็ลองจินตนาการดูว่า ถ้าไปอยู่ที่วัดป่าเราหายโศท่านเผยบุตรแล้วไม่ให้พูดนานเท่าไหร่กันะคะต่อครั้งเอ่อก็ในหลักสูตรเรามีทั้งหมดเจ็ดวันนะที่คือเจ็ดวันเต็มถ้ารวมการเดินทางด้วยก็จะเป็นเก้าวันนะที่ไม่ให้พูดกันจริงๆริงจังก็คือเจ็ดวันเจ็ดคืนอือแล้วก็ส่วนที่วันมาวันกลับนี่ก็จะไม่ได้คิดอยู่ละตรงนั้นเขพูดได้นะคะก็ อ, ะอย่างนี้ค่ะลองฝึกดูเตรียมการไว้เพราะาบางคนบโอ้โหอยากไปปฏิบัติพอไปเข้าจริงๆ ก็มีไหมคะที่เขาอยู่ไม่ได้ต้องกลับคืออันนี้มันมันอยู่ที่ตรงนี้ว่าสมมติคนที่เขาจะมาเนี่ยนะค่ะคือถ้าตั้งใจจะมาทําผิดกฎคือสมมุติว่าเราต้องการคุยเนี่ยคุณอยู่ที่บ้านคุยก็ได้แต่เพราะฉะนั้นจะต้องการจะสื่อสารในรายการนี้ไปเรื่อด้วยเลยก็ได้ว่าถ้าคนต้องการจะมาหลีกเล่นต้องการไปปฏิบัติธรรมเนี่ย เ, เวลาเราไปแล้วเราควรจะทําตามกฎของที่นั่นแต่ถ้าเราอยากอยู่ตามสบายคุณอยู่บ้านก็ได้ใช่ไหมแต่นี้พอคนไปถึงแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษากฎ ร, ร, ระเบียบเนี่ยเราจะทําผิดกฎระเบียบโดยไม่ได้ตั้งใจนันคือเราจะไม่ได้ตั้งใจทําผิดกฎระเบียบ <DP> คือนะเราก็คือควรจะต้องตั้งใจที่ทําถูกกฎแต่เพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจทําถูกกฎเนี่ยเราจะไม่ทําผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นคือบางคนเนี่ยไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้ตั้งใจทําอะไรเลยมันก็เลยทําผิดกฎระเบียบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเตรียมไปเนี่ยคือตั้งใจที่จะทําตามกฎอันหนึ่งค่ะนะคะ แล้วก็วันนี้เนี่ยประเด็นที่ฉันจะกลาบเรียนถามท่า น, น่ยอยากจะยกขึ้นมาว่าถ้าหากว่าเราตั้งสมมุติฐานว่าคนทุกคนเป็นคนดีนะคะออเอาพุทธว จ, จนะของพระพุทธองค์มาตอบคำถาม น, นี้สมมุติฐานนี้เนี่ย ถูกอย่างไรไม่ถูกอย่างไรหรือมีประเด็นอื่นที่จะตอบงองามขึ้นมาอีกท่านคมันมีส่วนที่ถูกอยู่นะก็คือว่าพู้เรีบอกว่าจิตนี้เดิมเป็นธรรมชาติประภัสสนนะจิตนี้เดิมเป็นธรรมชาติประพัสสน์แสางว่าจิตของเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในคุกคนที่ร่ำรวยมหาศาลคนที่จนนักการเมืองอะไรต่างๆจิตเดิมเป็นธรรมชาติประภัสสนแน่นอนนี่พุทธวจนะอาการลิโกนะ ทีนี้แต่จิตนั่นแหล ะ, ะถึงความเศร้าหมองแล้วเพราะกิเลส ท, ที่เป็นอคันตุกะจรมาทีนี้ถามว่ากิเลสที่มาอคันตุกะจรมามันมาโดนจิตเนี่ยแล้วแต่ละคนมันเศร้าหมองมากน้อยเริ่มไม่เท่ากันแล้วนะมันจะเริ่มไม่เท่ากันตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่เศร้าหมองมากๆขนาดที่เราว่าขุดชาตินี้ยังไงมันก็คงไม่ออกก็มีคนที่เศร้าหมองนิดหน่อยเศร้าหมองบ้างไม่เศร้าหมองบ้างก็จะมีะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เท่ากันตรงนี้ ถ้าเราบอกว่าคนทุกคนเป็นคนด<ซ>ีมันก็ดีตรงที่จิตนะจิตเป็นพร ะ, ะสอนแน่แต่นี้ว่าที่ดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันตรงที่ว่าอาสวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบังคนสอนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้บางคนสอนไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้เป็นที่อินทรีย์ของเขานะอินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยทำให้คนนี้สอนง่ายบ้างสอนยากบ้างฟันะงรู้เรื่องบ้างฟังไม่รู้เรื่องบ้างเป็นคนผ่านส่วนมากหรือเป็นคนผ่านส่วนน้อย คือหมายความว่าจริงๆแล้วตัวเราถ้าคนยังมีกิเลสอยู่เนี่ยนะคือเขาจะไม่ใช่เป็นบัณฑิตอยู่ตลอดได้จะมีส่วนที่เขาพาดบ้างเช่นเวลาคนด่าปุ๊บจะจี๊ดตอนที่จี๊ดเนี่ยเป็นเริ่มเป็นคนบาปแล้วนะค<า>่ะพูดแล้วไม่ค่อยเข้าหูใครแต่ว่าตอนที่สบายๆอยู่ก็เป็นบัณฑิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยวัดความที่เขาเป็นบัณฑิตหรือ เ, เป็นคนบาปพระเจ้าเคยพูดถึงเครื่องหมายเครื่อ ง, งอ้างอิงของความเป็นบัณฑิตหรือของความเป็นคนบาปอยู่นะคือคนพาดเนี่ยจะมีเครื่องหมายติดไว้ นะคือเหมือนแบบติดไปที่หน้าผากเพาฉันเป็นคนพาเ น, นี่ยนะนะเครื่องหมายนี่มี3อย่างคือคนพานเนี่ยมักจะพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีนะคืออะไรพูดคิดไม่ดีทําไม่ดีนะเช่นฆ่าสัตว์รักษาเพื่ในการปีศีหน้านะเราก็ยัง <Okay. S 1> คิดไม่ดีเช่นว่ามีความเพ่งเลงมีความปยาบาดมีมิจฉาทิฏฐินะพวกนี้เป็นเครื่องหมายของคนบานนะส่วนคนบัณฑิตเนี่ยก็มีเครื่องหมายของเขาเหมือนกันติดไปที่หน้าผากนะคือมักจะพูดดีคิดดีทําดี นะถ้าคุณทําดีพูดดีคิดดีส่วนมากกว่าที่ไม่ดนะีคุณก็ถือว่าจัดอยู่ในส่วนที่เป็นบัณฑิตได้อเนะพราะนั้นเราก็ดูอย่างนี้นะคนอันนี้ ค, นคือสามของท่านแล้วใช่ไหมคะคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งถูกต้องนะคิดพูดแล้วก็ทําทําค่ะนะคือคกายกายวาจาใจนะที่เป็นสุจริตกับกายวาจาใจที่เป็นทุจริต ท, ทีนี้คนที่มีกายว า, จาใจใจที่เป็นทุจริตเนี่ยจิตเขาก็เดินเป็นธรรมชาติป ร, พระพศ น, นะค่ะ ทีนี้เขาจะคลายความที่เป็นกายวาจาใจทุจริตของเขาได้หรือไมนะ่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครสอนนะเขามีอินทรีย์ภาวนาแก่ก้าแค่ไหนสมณะโคดมช่วยเขาได้ไหมหรือสาวกของสมณะโคดมช่วยเขาได้ไหมทาไม่ได้ก็ต้องรอต่อไปค่ะก็ <c oughs> ถ้าจะให้ต่อแบบฟันธงว่าพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระาศาสดากับสมมติฐานว่าคนทุกคนเป็นคนดีถ้าพูดถึง เอาลึกไปถึงจิตแรกเนี่ยมีทุกคนทูกไหใช่ใชถูกต้องจิตนี้เป็นประพัฒสอนอแต่บางคนทําไมเหมือนกับโอ้ยมันแต่อ้อนแต่อองเลยเกิดมามันแย่จากเด็กเลยอืมอันนี้ก็เป็นที่อสวะรค์เขาไงะนะคือจิตเดียรที่มีอสวะคือเหมือนกับสิ่งที่นอนเนื่องในจิตนิสัยของเราพื้นเปรมั น, ม, นมันโตมามันก็เป็นคนชั่วมาเลยนี้ก็มีนะค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ให้กําลังใจ แม้แต่ให้กําลังใจกับคนที่ต้องอยู่ ใ, ใกล้กับคนแบบนี้ด้วยว่าพยายามช่วยกันหาหนทางว่าทํำยังไงถึงจะเคาะเอาไอ้ที่มันพอกพูนอยู่ข้างนอกออกไปเดียด๋วยวยคุณโจมตีวันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้หนึ่งคือหมายความว่าถ้าเราจะพยายามช่วยคนอื่นเคาะเอาสิ่งที่ของเขาออกเนี่ยเราทําของเราก่อนนะคือหมายว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เป็นคนผ่านเนี่ยนะหรือคนที่ไม่ดีเนี่ยเอางี้แล้วกันเราเราดูแลจิตของเราเพราะว่าจิตของเขาเราช่วยดูแลให้ไม่ได้ อันนี้ น, นี่พูดไม่ได้ว่าเห็นกับตัวนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเราดือนูแลจิตของเราแล้วเราเชื่อว่าดูแลเขาเหมือนกันนะอค่ะคือที่ดิฉันพูดประโยคนี้ออกมาก็อาจจะเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นเท่านั้นเองว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่เรามีความรู้สึกว่าอุแหมทําไมเขาเป็นแบบนี้นะทำไมาเขาเป็นแบบนั้นนะทำไมาเขาเป็นแบบโน้นนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วอย่าเพิ่งสิ้นหวงังตัวเขาเองก็ไม่ควรหมดหวงังใชเพราะบางคนเนี่ยแปลกนะคะท่านคะ รู้ค่ะว่าตัวเองเน่ะมีไม่ดีอะไรอืมแต่เหมือนกับว่ามันทําไม่ได้ที่จะไปสู่จุดที่คนเขาว่าเป็นดีเป็นบัณฑิตนะคะอันนี้เป็นคําถามเดียวกันกับที่พระอินถามเลยอ๋อเหรอคะนะว่าทําไมบางคนมันมันดีบางคนไม่ดีดค่ะพระพุทธเจ้าก็ตอบสั้นๆว่าเป็นเพราะตัณหาอมตัณหาเนี่แหละเป็นตัวที่ดึงให้เรามาทําชั่วอยู่เรื่อยๆนะอานาจของตัณหานี่มันดึงอยู่แล้วรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีเรารู้ว่ากินอาหารมื้อที่ห้ามไม่ดีอย่างเงี้ยนะ แต่มันก็กินอยู่นั่นแหะมันก็ถ้าดูอยจนนั่นนหะมันก็ทำอยูเพราะว่ามันถูกดึงด้วยอำนาจของตันหาเออย่างคนที่บริพิปปิในกามอย่างเงี้ยะเขาก็รู้ว่าไม่ดีนลจะเลิกกแต่เลิกไม่ได้มันก็ก็เพราะอํานาจของตันหาค่ะเพราะอำนาจของตันหาก็เท่ากับว่าอ่าจริงๆแล้วมันมีไอตัวที่น่ากลัวคือตัวตันหา ตัญหาเกิดมาจากไหนกันคะตันหามีอาหารของตันหาอยู่ค่ะอาหารของตันหาเนี่ยก็คืออวิชาอวิชาเนี่ยเป็นอาหารของตันหาออวิชาเป็นอาหารของตันหาเพราะฉะนั้นถ้าอวิชาเราพอกปูนนะตันหาเราก็ยิ่งมากทีนี้ถามว่าเอออะไรเป็นอาหารของอวิชาค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไอ้นิวรังห้าเนี่ยเป็นอาหารของอวิชาค่ะความไม่รู้เป็นอาหารของความยากนั่นแหละค่ะใช่ อวิชาเป็นอาหารของตัณหาถูกต้องแล้วก็อนิวรเป็นอาหารของอวิชาใช่นิวรเป็นอย่างไรคะนิวรนคือเครื่องกางกั้นห้าอย่างนะมีความอยากในการความพยาบาทความม่งเอาเอานอนขี้เกียจขี้คร้านความความฟุง้งซ่านทาการใจแล้วก็ความระแบงสงสัยพวกนี้เป็นนิวร น, นิวรก็ไม่ใช่ไม่มีอาหารก็มีอาหารความเหมือนกันคือ คำว่าอาหารนี่หมายถึงอะไรคะท่านคะหมายถึงว่าทําให้มันโตขึ้นทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นทําให้มีมอํานาจมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่แบบแพ้อยู่เรื่อยนะไม่ชนะจิตใจตัวเองสักทีไหลไปทางต่ำไหลไปทางต่ำนะอันนี้เพราะอํานาจตัณหาอา่าทำไมเป็นอย่างนั้นทํำไมตัณหามาครอบงำจิตคุณได้เพราะคุณมีอวิชชาอา่าทํำไมคุณมีอวิชชาเอาเพราะคุณมีนิวรณ์อา่ามีนิวรณ์มาจากอะไรเพราะว่าไม่รู้จักสัมโรมินสีอย่างเงี้ยนะมันก็ไล่ไปไล่ไป นะไม่สมรว้อิสิเพราะอะไรไม่มีสติทําไมไม่มีสติเพราะไม่รู้จักปฏิบัติกายวาจาใจเป็นสุจริตค่ะทำไมไม่รู้จักปฏิบัติใจกายวาจาใจเป็นสุจริตอ๋อเพราะว่าไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทาเพราะไม่มีไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมเพราะอะไรเพราะไม่มีเพื่อนดีอย่างเงี้ยมันก็ไล่กันไปนะอค่ะทีนี้เรากําลังพูดถึงวิธีคนดีใช่ตามคําสอนของพระศาสดาอืคนดีคือคนที่ไม่คิดไม่พูดไม่ทํา ในสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอ่าพระอินทถึงขนาดสงสัยเลยดิฉันว่าเอ๊ะทาไมไดิฉันไปสงสัยใกล้เคียงกับพระอินได้นะคะ <c oughs> แต่แต่แปลกใจพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะเราเหมือนกันเนี่ยทุกคนเนี่ยมีดีมาก่อนเป็นทุนแต่มีพวกเนี้ยที่เป็นตัณหาเหรอคะ เ, อเป็นกิเลสใช่กิเลสที่เป็นอคนติทุกขจรมาออื อันนี้เป็นคําพระพุทธองค์เลยใช่ไหมคะถูกต้อ ง, องถ้าไหนไหนเราก็เน้นพุทธวจนะแล้วคงจะขอให้ท่านได้ช่วยกรุณาพูดถึงพุทธวจนะบทนี้ก่อนที่จะจบรายการอีกสักครั้งได้ัหมคะผู้เชาบอกงี้บอกว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสนนะแต่จิตที่มีธรรมชาติประภัสสนนั่นแหละเข้าถึงความเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสที่เป็นอาคติตุกัจรมาเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ที่ไม่มีการสดับย่อมไม่รู้ชาติตามที่เป็นจริง ซึ่งความจริงข้อนีนะ้จิ ต, ตะภาวนาจึงไม่มีแก่ปุถุชนผู้นั้นแต่จิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสนแต่จิตที่มีธรรมชาติประภัสสนนั่นแลเป็นจิตที่พ้นวิเศษจากอุ ป, ปกิเลสอันเป็นอาการตุกัจรมาได้เรากล่าวว่าอริยะสาวกผู้มีการสดับย่อมรู้ชาติตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงข้อนั้นแลเพราะเหตุนั้นจิตตภาวนาจึงย่อมมีแก่อริยะสาวกผู้มีการสดับนั้นค่ะก็ นับได้ว่าเป็นผู้ทวจนะที่สะท้อนให้เราเห็นยนะคะว่าชีวิตทั้งหลายเราต้องมีความหวังว่าจิตของเราเนี่ยมันจะกลับไปอยู่ดังเดิมเริ่มต้นที่ว่าจิตมีความประพัดสอนโดยการอย่าให้อาคันตุกะ mm hmm. <laughs> ซึ่งปกติภาษาไทยเนี่ยอัคันตุกะนี่แปลว่าคนมาดะะีมาแล้วต้องต้อนรับด้วย <laughs> แต่นี่มาแล้วต้องอย่าให้เขาจอนมา mm hmm. ะะอย่าให้เขาจอนมาไม่ใช่ว่ามาแล้วคือพยายามอย่าให้เขาจอนมาแต่ว่าดิฉันจะต้องจอนไปแล้วคะ่ะท่านครับเพราะว่าดูเวลาแล้วเราคงจะต้องลารายการสําหรับวันนี้กันไปก่อนน ะ, นะคะอย่างไรเสียจะมากราบเรีย น, านถามท่านอาจารย์ในเรื่องที่ดิฉันค้างอยู่ที่ท่านพูดว่าเราเนี่ยต้องมาแก้ที่ตัวเราเองไม่ใช่คนข้างๆคะ่ะวันนี้ก็กราบนมัสการขอบคุณท่านแต่เพียงเท่านี้นะคะม น, นมัสการค่ะทุกคนที่เคารบค่ะรายการสันสนิสนทนานะคะท่านศานตราจย์ เอฟเครอบครัวข่าวซึ่งรายการของเราก็เป็นรายการที่บันทึกเทปล่วงหน้านะคะพระอาจารย์เพริยณอภิปุโนทาน่านก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธา น, นีบางคราวเราก็บันทึกล่วงหน้ากันไม่มากบางทีก็บันทึกล่วงหน้ากันมากเนี่ยกับท่านมาร์กเนี่ยบางครั้งก็บันทึกล่วงหน้ากันทีเป็นเดือนเลยเหมือนกันนะคะน <laughs> ะคะวันนี้ อ, าอยากจะกล่าวเป็นท่านว่าผูท้ทวจนะอยเองที่ท่านอาจารย์เพบูยวได้ยกมาเนี่ย เราอ่านเราทบาทวนเราไคล์เราครวรยิ่งบสถที่ว่าจิตเติมนี้เป็นธรรมชาติประพัดสอนเอาขึ้นแค่เนี้ยท่องทุกวันทุกวันเลยนะคะชีวิตมันก็มีหวังแล้วว่ามันอยู่ในเรานี่แหละต้องพยายามให้อาคันตุกะที่เป็นเกราะเส้ามองจอมาเนี้ยเขาจอนไปซะนะคะแล้วก็เราก็จะไดะ้พัฒนาตัวเราเองขึ้นจากการที่เรามีหลักเตือนตัวเราเองอยู่เสมอแล้วเป็นหลักจากพระศ า, าสดาที่เราศรัทธาสูงสุดก็คือ องพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะ0 2 2 6 9 0 0 0 6ท่านขอหนังสือกันมาได้ได้รับเนตตามจากพระอาจารย์คลิปโซดคลิปฮโลค่ะวันนี้เราก็คงจะลาไปแตเพียงเท่นนี้ก่อนนะคะพุทวดสวัสดีค่ะ